น้อมน้อมต่อคุณพระตาตรายขวอกาทพระอาจารย์นรงค์วิทย์เพื่อนสัมิทุกท่านเจริญธรรมแมฉทีและยาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะเราก็ได้สวดบทพุทธคุณหนึ่งร้อยจบนะเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นนะถือว่าเป็นยุคทีนะ่มีความเจริญในด้านความคิดมาก นะเพาเต็มไปด้วยเจ้าลัทธิต่างๆมากมายเต็มไปด้วยนักนักปลาร์นักปัาชญาต่างๆเนาะอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเขาก็หาทางพ้นทุกข์กันในยุคนั้นนะจริงๆแล้วนักบวชทั้งหลายเจ้าลัทธิทั้งหลายเป็นผู้ที่ทิ้งบ้านเรือนมาทั้งหมดทิ้งความะสะดวกสบายทิ้งความสุขในทางโลกมา เพื่อที่จะสแสวงหาทางพ้นทุกข์กันทางนั้นแต่ยุคที่ว่าเขาสแสวงหาทุกทางหรือไม่ในยุคนั้นนะในเอเซียนนี่ก็จะมีประเทศที่มีความเจริญในด้านความคิดในวัฒนธรรมเก่าแก่มีความเจริญในทางจิตใจสูงก็คือประเทศอินเดียและประเทศจีนนี่แหละสองประเทศนี้สูงมาก เพราะนั้นในยุคที่พระเจ้าเกิดมาจึงเป็นยุคที่เรียกว่ามีความขัดแย้งกันในด้านความคิดมากมายนะเพราะเนื่องจากเจ้าทิต่างๆมีมากแต่ความขัดแย้งนั้นถ้าโดยสรุปแล้วก็มีสองอย่างก็คือสัตสตสตาทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าจิตวิญญาณ น, นี้มีความเที่ยงกับอุเฉทิฐิ คือเห็นว่าขาดศูนย์นะคือไม่มีตายแล้วก็จบกันนะบุญบาปไม่มีกรรมเบญไม่มีทั้งหมดนี่ก็คือความคิดที่เป็นหลักใหญ่ในยุคนั้นแต่พระพุทธเจ้านี่เป็นทางสายกลางนะก็คือไม่ได้ไม่ได้มีความเที่ยงแล้วก็ไม่ได้ขาดศูนย์นะเพราะฉะนั้นก็เลยขัดแย้งกับอารติเก่าการขัดแย้งนี้ก็ต้องต่อสู้พลควรเนาะที่จะชนะ ความคิดเก่าๆแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็สามารถชนะได้นะดังจะเห็นว่าหลายๆหลายๆเมืองนะที่พระเจ้าไปทรงแสดงธรรมกษัตริย์ก็จะมายอมรับกันมาฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมกันมากมายนะเป็นความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นที่สามารถเอาชนะความคิด ลัทธิต่างๆซึ่งมีมาเก่าแก่ในไดนะ้ถ้าเราดูพูจุวัตแล้วเราจะมีความทราบซึ่งในตรงนี้มากนะที่ทรงชนะต่างๆแม้แต่ชดินนะชะดินสามพี่น้องนะอุลเวนกัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะนะ ท, ที่มีญ า, านลุศิลรวมกันเป็นพั น, พ, นพันพันองค์เนาะเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านก็ยังเอาชนะได้เลยนะ จนทั้งนํามาที่เมืองร า, าชคือจนสามารถทําให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วก็ได้สาวกมากมายที่เมืองราชคือตรงนั้นเนาะคราวนี้น่ยที่ประเด็นสําคัญก็คือในเรื่องอวรรณะต่นน า, างๆพระเจ้ า, เาก็ชนะได้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะเพราะวรนนาต่างๆของอินเดียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เก่าแก่มีมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้านานมาก ฝังลึกอยู่ในอินเดียในตอนนั้นนะก็จะมีอวนะรณะกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรนะก็คือในยุคก่อนจะมีชาววรยันทนะที่มีความเจริญนะก้าวหน้านะแล้วก็มีนะรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนะนะเป็นลักษณะผิวขาวมีอะไรทำที่สูงก็บุกลงมาจากนะทางทางด้านเหนือคือทางตุรกนะีแล้วก็เข้ามาในอินเดียแล้วก็มานะ ลูกลานชาวเมืองชาวพื้นเมืองเดิมะคือชาวมิลล์คาซึ่งมีตัวดำเตี้ยแล้วก็ดูแล้วไม่สวยงามนะก็เกิดมีความคิดว่ากลัวจะไปผสมกันนะระหว่างอรารยันและชาวพื้นเมืองนะก็ไม่อยากให้สูญเสียการที่เป็นชาวอรารยันเดี๋ยวจะไปผสมกับชาวพื้นเมืองไปนะก็เลยตั้งเป็นวันนัดต่างๆขึ้นมานะเพื่อที่จะกีดกันนะการที่จะไป ไปมีการเกี่ยวข้องกันในทางสัมพันธ์กั น, นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ให้มีการแต่งงานข้ามบรรณะนะถ้าใครแต่งงานข้ามบรรณะก็จะกลายเป็นจันทานเป็นการล ง, ลงโทษลูกที่เกิดมาเพราะฉะนั้นวรรณะนี่มีมาเก่าแก่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝังลึกนะแต่ด้วยความสามารถของพระเจ้าสามารถที่จะลบล้างบรรณะนั้นได้ในพุทธศาสนาเนาะ มาแต่การโกนผมนี่ใครโกนผมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัประมงคนเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่สังเกียรนะในศาสน า, าพาหมในยุคนั้นนศะาสน า, าพาหมณ์นิสสุมากจะไม่โกนผมนะจะไว้กันยาวที่เราเห็นเก้าผมเหมือนขึ้นไปนะแต่พระเจ้าเนี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในตรงนั้นได้โกนผมนะก็เลยว่าทางาพราหมณ์เรียกมันกคำดูถูก นักบวชโลนอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวมีประเด็นนิดนึงว่าบางคนสงสัยเอ๊ะสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้ามีผมหรือไม่มีผมเนาะที่เราเห็นพระพุทธรูปก็เหมือนกับมีผมขึ้นไปเป็นลักษณะที่ผมก้าวขึ้นไปหรือว่าเป็นก้นหอยขบวดขึ้นไปในตรงนั้นนะคราวนี้ถ้าเราดูตามพุทธวัตนี่ก็จะมีพนันทะ พรนันธาที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆพระพุทธเจ้าแล้วรูปร่างสูงด้วยเมืองที่ท่านเดินมาดกไกลนะคนเล่นว่าพระนันธะนั้นเหลืคือพระพุทธเจ้าเดินมาก็จัดอัสนะต้อนรับแต่เดินมาใกล้ๆก็เห็นว่าเป็นพระนันธาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าอาจจะโกนผมก็ได้นะหรือแม้แต่มีอากริย์หรืออะไรจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะก็ไม่รู้พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเป็นองค์ไหนนะก็ต้องมีผู้ชี้ให้ดูนะก็แสดงบ้า ลัหนักก็นาจะกลผมเหมือนกันน่าในเป็นข้อสนิทฐานเนาะเพราะฉะนั้นการโกนผมนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ า, าพระพุทธเจ้าก็ไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะก็คือสามารถที่จะทําให้วรรณะต่างๆนะเข้ามาบวชแล้วโกลผมได้แล้วเมื่อเข้ามาบวชแล้วความเป็นวันณะก็หมดไปนะไม่มีการถือวันละกันในตรงนั้นนะแม้แต่เราจะเห็นในพุทธประวัติที่ว่าในยุคที่เจ้าชายหลายๆองค์มีพระอานนท์พระนุลุทธะ กษัตริย์พระพัิยะต่างๆมาบวชกันนะแล้วก็มีช่างกระบกนะคือท่านวาลีนะที่เป็นเหมือนกับเป็นคนรับใช้เนี่ยจะเข้ามาบวชพร้อมกันนะกลุ่มกษัตริยนะ์เจ้าชาก็ยังขอให้อุบาลีบวชก่อนนะเพื่อที่ว่าบวชแล้วก็จะได้ไปไปกราบพระบาลีอุบาลีได้นะเป็นการลดที่หนทิฐิมานะตัวเอง ในในตรงนี้เป็นการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนในยุคนั้ น, นที่ทําให้วันณะนี้หมดไปในพุทธศาสนาแล้วก็ในยุคนั้นก็น่าจะเบาบางบางๆงลงไปด้วยเป็นสิ่งที่ว่าพระเจ้านี้สามารถทําตรงนี้ได้สําเร็จนะแล้วก็การเผยแพร่ธรรมก็เป็นเป็นอย่างกว้างขวางก้าวหน้ า, อ ย, าอย่างเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอินเดียนในยุคนั้นทีเดียวนะ ดังแต่เห็นว่ากษัตริย์องค์ต่อๆมาแม้แต่พระเจ้าอโศกมหาราชก็มีการสร้างขอสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าการสร้างเจดีย์ต่างๆมากมายนะในอินเดียแล้วก็สร้างเสาโศกไว้เสาสศกนี่ไม่ได้สร้างเพื่อที่จะเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศกนะเสาโศกในอินเดียสร้างมากมายเพื่อเป็นการให้ให้ให้คนต่างๆได้รู้ธรรมะของพระเจ้านะ เมื่อมาอ่านเสาส่งแล้วก็จะรู้ว่าพระเจ้าเผยแพร่ธรรมอย่างไรแล้วก็พระเจ้าส่งก็ขอให้อาชาติเมืองประพฤติตามที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญพระเจ้าทรงหาลาดเป็นอย่างยิ่งนะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อภูศา ส, สัตว์นะจริงๆแล้วก็ทส่งส่งสมณะไปเผยแพร่ธรรมทั่วไปทั้งเอเชียนะแล้วก็ที่บริเวณต่างๆมากมายในประเทศต่างๆ แนะม้แต่ในทางด้านเหนือขึ้นไปทางเ ท, ทางตุรกีอับกาอีสานก็ไปหมดนะทางนี่ก็มาทางสุวรรณภูมินะไปได้ไกลมากนะนี่ยก็แสดงถึงพุทธศาสนาไี่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะอันนี้ทําไมถึงยิ่งใหญ่นะพราะพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความจริงนะความจริงที่ชาวเวนเดียในยุคนั้นค้นหากันแต่ว่าค้นไม่ถูกทางนะแต่เมื่อมีผู้มาชี้หนทางที่ถูกแล้วก็เกิดการยอมรับกัน อย่างมากมายเพราะทุกคนต้องการการพ้นทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ว่าถ้าเดินผิดทางแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกนะมันกลายเป็นว่าไปหลงติดไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นนะในพิ ธ, ธีกรรมต่างๆนะแล้วก็หลงเข้าไปยึดในอารมณ์ในกินเลสทั้งหลายในความเป็นตัวเป็นตนซึ่งมันไม่ได้เป็นหนทางพ้นทุกข์เลยแต่พระเจ้าได้ทรงสอนให้เข้าสู่ความพ้นทุกข์จริงๆนั่นก็คือให้เห็นในความที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนาตามให้ตัวไม่ตน นี่ละมันเข้าสู่ในตรงนี้ก็จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะจริงๆแล้วในศาสนาต่างๆนี้นะมันเป็นเรื่องของเทวนิยมคือมีความศรัทธามีความศรัทธาในการที่เราว่าถ้าหากว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส บ, บอกอะไรเวลาก็จะเชื่อตามนั้นโดยที่ไม่ได้หาเหตุผลในทางสติปัญญาของตัวเองนะแต่พระเจ้านี่ทรงให้แต่ละคนมีความค้นหาเหตุผลแล้วก็ ตึกตองนะในหนทางที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อความเชื่อถือนะไม่ได้เป็นศรัทธาแต่ว่าเป็นปัญญานะที่จะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดแต่ความจริงนะในสรรพสิ่งนีนะ้มีแต่ความความทุกข์นะความทุกข์นี่เป็นของแท้จริงนะที่จะมีตัดในอริยสัจสนะความทุกข์นั้นเป็นของจริงๆแล้วก็สาเหตุการเกิดทุกข์นะ การดับทุกข์หรือนิโรธแล้วก็มักมีองศาตคือการบอกไปเพื่อความดับทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องความจริงเขาเรียกว่าอริสัตย์นะคือสัจจะคือความจริงนะความจริงนั้นนะมันเป็นถึงว่าทุกคนมันเห็นประจักษ์ในตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งความจริงที่เขาเรียกว่าเป็นสรธรรมก็คือความไม่เที่ยงนะ น, นี่ก็คือความจริงที่ใครๆก็ยอมรับนะแม้แต่คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยอมรับนะ คนทั่วโลกเนี่ยทุกคนยอมรับในความไม่เที่ยงทั้งหมดใช่แต่ว่าเขาเห็นไหมใชม่เขาเห็นไหมเท่านั้นเองในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าเขาไม่เห็นเขาก็อยู่กับความไม่เที่ยงโดยมีความทุกข์นะเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงก็ทำให้เขามีความทุกข์มีความพัดพลาดนะมีประสบกับสิ่งไม่รักนะมีความ เ, าเรียกว่าเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นไหมนะยอมรับความไม่เที่ยงนั้นไหมใช่ คือทุกคนเน่ยเห็น <c oughs> ความไม่เที่ยงแล้วแต่ว่าไม่ยอมรับนะแต่พระเจ้าสอนให้เรายอมรับให้เห็นความจริงในตรงนี้นะยอมรับความไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่ทุกข์เองนะยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อใดที่เราไม่ยอมรับเราจะมีความทุกข์เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ไว่าตัวเราตัวเขาคนที่เรารักสิ่งต่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะนะนะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนั่นคือความไม่เที่ยงความทุกข์นะทุกขัง ก็คือการที่มันเกิดการบิดคั้นการทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะตรงนี้มันก็คือสภาวะอย่างหนึ่งที่มันทําให้เกิดการไม่เที่ยงนั่นเองนะเรากลัาเห็นความจริงในความที่เราไม่อาจที่จะทนในสภาวะเดิมไม่ได้นั่นแะหละทุกๆอย่างนะมันเป็นของที่มันแตกเล้าวนะอยู่แล้วนะตัวเรามันก็ทนไม่ได้มันแตกรล้าวอยู่แล้วนะตรงนี้คือความจริงนะตัวเรามันแตกรล้าวมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้เนาะ มันถูกบีบคั้นตลอดเวลานะเรานั่งตอนนี้ก็ปวดเมื่อยบางคนก็รู้สึกหนาวบางคนปวดกระแลปัสสวะบางคนรู้สึกง่วงนอนนะบางคนรู้สึกหิวนะนี่นี่คือความทนในภาวะเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นมาทํานูน่นทํานี่ไปเข้าห้องน้ํากันไปทานอาหารนะสิ่งต่างๆนี่คือมันทนในภาวะเดิมไม่ได้นะ แม้แต่สิ่งที่มันทนทานนะคือภูเขาเรากาตึกร้ามบ้านชอมางก็ทนไม่ได้ทั้หนดทั้งหมดนะมาถูกบีบคั้นตลอดเวลานะอีกสักพันปะีมันไม่อยู่ในตรงนี้หรอกแม้แต่ศาลานี้พันปีข้างหน้าก็ไม่อยู่ในตรงนี้แล้วเนาะเพียงแต่เราเข้ามาเห็นมันไหมเราเห็นมันไหมตรงนี้เราเรารู้แต่เราเห็นมันไหมนะถ้าเราเห็นมันเราก็จะออกจากความยึด ต, ติดในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะยอมรับสบภาว่าแห่งความทุกข์ในตรงนี้ได้นะ แล้วก็ความที่ไม่ใป็ตัวไม่ตนตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สุดเลยในบูษันนาเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าไปขัดทิขัดแย้งกับลทัทธิเก่าๆในอินเดียอยู่แล้วนะเพราะนั้นเขาจะมีความเป็นตัวเป็นตนมีตัวเราที่จะบรรลุโมกษาเข้าไปรวมอยู่ในอัตมันของพระผู้เป็นเจ้าต่างๆนะเพื่อที่จะไปรวมกับพระผู้เป็นเจ้าในความเป็นตัวเป็นตนที่ว่าเรามีสภาวะ สภาวะที่ว่าเข้าไปรวมกันอยู่เนาะมันก็คืออัตมันหรือนะปรามาตมันนะที่ว่าเข้าไปรวมกันในตรงนั้นนะมันยังมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่นะหรือความไม่ใช่ตัวไม่หรือการขาดศูนย์ก็คือการดับไปเลยไม่มีตัวไม่ตนเลยบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนะแต่พระเจ้าได้ทรงตัดในความเป็นอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ตนนะคือมันมีตัวมันจริงๆมันมันมีนะเราก็มีนะมีกายมีใจอยู่ แต่ว่ามันไม่ใช่เรานะมันไม่ตัวไม่ตนของเรานะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะว่าเราเห็นไหมนะอทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าไอ้กายมันก็มันคงไม่ใช่เรานั่นแหละมันตายก็ไปเผานะอไม่ก็ไปเผามันก็ไม่ใช่เราถ้าเป็นเราเราก็แย่นะไปเผาเนี่ยโอ้เราก็ทรมานแย่นะก็รู้ว่ากายไม่ใช่เราส่วนใหญ่ชาวพุทธก็รู้ตรงนี้นะว่ากายไม่ใช่เราแต่เราก็ยังเข้าใจว่าจิตเป็นเราอยู่นะจิตเป็นเราอ่าจิตรเรา เราจิตของเราต้องเบียนว่าตาเกิดต่างๆเหล่านี้นะอะไรก็มีความยึดในตรงนี้นั่นแหละแต่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณคือกายรูปคือกายนะเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณคือใจไม่ใช่ตัวไม่ตนนะก็คือไม่ใช่เรานั่นเองนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจในความที่ว่าใจไม่ใช่เราด้วยไม่ตัวไม่ตนของเราด้วย นะก็คือมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสัตตานางนะสัตตานางก็คือสัตว์อย่างหนึ่งทนะำนั่นไม่ตัวไมต่มตนของเรานะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกจากความยึดติดในตรงนี้ให้ได้นะในความเดียก ว, ว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นของเราเพราะถ้าจิตใจเป็นของเราแล้วมันก็ยังมีอย่างอื่นที่เป็นเราอยู่มากมายใช่ไหมเมื่อใจเป็นของเราแล้วอาการของใจนะเช่นความโกรธความรักเป็นต้นก็เป็นเรานะก็เป็นเราโกรธเรารักนะ ก็เพราะเรายังยึดถือใจอยู่นะสิ่งที่เป็นอาการของใจก็จึงเป็นของเราด้วยนะมันจึงออกจากตรงนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเราเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ากายและใจไม่ใช่ของเราแล้วนะเพราะฉนนั้สิ่งที่เป็นอาการของใจะเช่นอารมณ์ต่างๆความรักความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวต่างๆเหล่านี้ก็จึงไม่ใช่เราด้วยนะ มันไม่ยังเรามันเป็นแค่ลักษณะของการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อตากระทบรูปนะมันก็เกิดไปตามปฏิจจสมบัทก็คืออาจารณนะคือตากระทบรูปมันจะเกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะก็จะมีเวทนาตามมาก็คือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยเฉยนะอันนี้คือเป็นไปตามปฏิจจสมบาทก็คือการทำงานของจิตในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เรา เมื่อมันทำงานไปแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมานะเมื่อเวทนาคือสมมติเราเกิดความพอใจก็เกิดตัณหาตามมานะตัณหาก็คือความอันธยานอยากความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเกิดความอยากได้ก็เกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นนะเราไปเดินเดินๆไปเห็นดอกไม้สวยงามนะเราก็ตาเนี่ยมันไปเห็นดอกไม้นะ ตาคือไอ้ต่งนะผัสสะเห็นนะดอกไม้เป็นสิ่งที่ถูกเห็นนะมาเกิดเวทนาขึ้นมาคือความชอบใจนะความชอบใจก็เกิดอยากได้นะคือตันหาขึ้นมาอีกนะอยากได้นะเหลียวซ้ายแลกว่าไม่มีใครเห็นนะเด็ดมาเลยนะทุ่งกระเจียวบอกว่าห้ามเด็ดดอกไม้นะใครเด็ดโดนปรับห้ารอบาทนะแต่ดูไอ้ไม่มีใครเด็ดมาเลยเนะีนะ่ยตันหานะนะเด็ดมาแล้วเป็นตันหา ครั้งนี้วันเด็นวันด้ก็เป็นของเราแล้วน ะ, อะดอกไม้เป็นของเราติดเกิดความติดในตรงนั้นน ะ, ะเกิดความพอใจไปยึดมั่นถือมันเป็นปของเราแล้วใช่ไหมนี่แหละตรงนี้คือกระบวนการทํางานของของจิตนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเป็นกระบวนการเช่นนั้นเองนะมันไม่ใช่เราแต่ว่าเขาทํางานของเขาเป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมแล้วเมื่อไปอุทานก็เกิดเป็นภพเป็นชาติต่อไปนะเป็นภพเป็นชาติคืออยู่ในจิตแล้วนี่แหละ มันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในจิตเรานะที่เราต้องมีความทุกข์มีความสุขในตรงนั้นไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อเราตายไปจิตมันยังมีอุปทานในตรงไหนนะนั่นหละคือภพชาติที่เราต้องไปเกิดใหม่จริงๆนะนี่ก็คือกลับมาเห็นในอาการของจิตว่ามันไม่ใช่เราแต่มันเป็นการทำงานตามกระบวนการของปฏิจจสุบัทซึ่งเป็นกระบวนการที่มันเป็นเช่นนั้นของเขาเองไม่ใช่เรานะไม่เป็นการทางานของจิตเองไม่ใช่เรานะ พราถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็จยอกจากความทุกข์ในการที่เราไปยึดติดว่าเราโกรธเรารักเราชางังเราเกลียดเราอิจฉาเราหึงหวงซึ่งนั่นคือกระบวนการของจิตเท่านั้นเองเราไม่น่าที่แค่รู้ไปตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จยอกจากเขาได้นะเพราะเพราะว่าทั้งกายใจไม่ใช่งเราเพรานะน่าอาการของใจก็จึงไม่ใช่เราด้วยนี่แหละเราจรึงเป็นผู้ดูจริงๆนะอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นก็คือตรงนี้หรือรู้เฉยๆก็คือตรงนี้คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขา ลุยเฉยก็ก็เป็นของเขาเองนั่นแหละช่างมันไม่ใช่เราจบเลยนะแต่ถ้าลห้เฉยมันยังไปจัดการอยู่มันไม่ใช่ของเรานะมันก็กลายเป็นเราอยู่ดีนะเพราะนั้นลุยเฉยก็คือเป็นของเขาเองไม่ใช่เรานะมันจะจบนะเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรกว่าเราสามารถเข้าใจได้โดยการที่เรียกว่าเราสามารถที่จะพิจารณาทำในตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโยนิโสมนาสิกานะเมื่อความเข้าใจในตรงนี้เราก็จะข้ามขั้น ข้ามขั้นอะไรข้ามขั้นในการที่เราจะไปกําจัดอกิเลสในใจของเรานะเพราะกิเลส ใ, ในใจของเรามันกําจัดให้มันหมดไปไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าเราทําได้นะป่านนี้ใครๆก็ไม่มีกิเลสหมดแล้วใช่ไหมแต่ทําไมยังมีกิเลสอยู่ก็เพราะว่าเราทําไม่ได้จริงๆนะจริงๆแล้วเราแบบปฏิบัติทำนะมานะเราไม่ได้มีความเพียรน้อยกว่าครูบาอาจารย์หรอกเราจะขยันมากาค Record ารูบาอาจารย์สิกนะแต่ทําไมเราจึงกําจัดไม่ได้นะ มันกำจัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช um, ่ของเราเราเราจะไปกำจัดเขาได้อย่างไรนะถ้าหากว่าความโกรธเป็นเราจริงมันก็ต้องอยู่กับเราตลอดกาลนานถูกไหมแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเขาจึงไม่ใช่งเรานะนี่มันไม่ต้องอาศัยการกำจัดแต่เป็นการอาศัยความที่เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราทัานั้นนะเราก็จะออกจากเข้าได้นะเหมือนที่หลวงปู่ดูลนะรู้สึกตอนนี้มีการยกหลวงปู่ดูลบ่อยนะแต่ตรงนี้ก็คือความจริงนะ มีผู้ถามหลวงปูด่ดูลว่ า, ามีใครที่จะละความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปู่บอกไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอกมีแต่รู้ทันแล้วมันก็ดับไปก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ยังมีความโกรธอยู่ไหมหลวงปู่บอกมีแต่ไม่เอาเนาะนี่มันจริงๆนะตรงนี้มันคือความเข้าใจในระดับหนึ่งของพระอริยเจ้าที่ว่ามันสามารถมีได้แต่ว่าเราไม่เอาก็คือมันเป็นเช่นนั้นเขาเองไม่ใช่ของเรานะท่านจึงไม่ให้ค่าในตรงนั้นนะ จริงๆแล้วแม้แต่พระยจ้าท่านก็มีความฟุง้งซ่านมีความคิดต่างๆได้หรือจะมีกิเลสต่างๆได้แต่ว่าท่านรู้ทันแล้วท่านไม่ฆ่าเมื่อไม่ฆ่ามันก็ผ่านไปมันก็หมดไปมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราไปกําจัดอะไรแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นความที่เรียกว่าแม้แต่กายนะเราก็ไม่ต้องไปคอยละอัตตาตัวตนใดๆถ้าหากว่าเราไปคอยละอัตตาตัวตนก็คือเรามีอัตตาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปละเขา แต่ว่าเขาไม่เชิงเราตั้งต้นแล้วนะเราเพียงแต่การเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองเพราะเมื่อจิตได้ถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนแล้วเขาก็จะปล่อยเขาจะวางเขาจะไม่ยึดติดของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ไม่ยึดติดในความตรงนี้แล้วนะกิเลสมันก็เลยไม่มีที่เกาะเมื่อไม่มีที่เกาะมันก็เลยไม่มีที่อาศัยนะเมื่อไม่มีที่อาศัยมันก็คือนั่นแหละคือการดับไปของตัณหา นะเพราะตันหาก็คือความยึด ต, ติดนะคือความทยานอยากทั้งหลายนั่นเองนะอย่างตันหาก็บอกว่าโยตัสสาเยวะตันหายะอาศะสกวิลาคะนิโรโทจาโคปิณิส ok ักโคมุติณารโยตันหานั้นก็คือเป็นที่ทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นประทานนะเพราะฉะนั้นการละตันหามันเป็นการละความยึดมั่นถือมั่นหนึ่งประทานนะเป็นการทําให้เกิดวิลาคะคือการคลายออกของตันหา นิโรโธคือการดับไม่เหลืองตัณหาจ่าโคคือการสละออกของตัณหาปฏินิสัคโธการสละคืงของตัณหามุติคือการปล่อยการวานอนาระโยคือการทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนี่แหะคือนิโรธเพราะผู้ใดที่ทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยแล้วมันก็จะดับไปหมดไปจากกิเลสทั้งปวงมันก็ไม่เกิดภพเกิดชาติตามมาเพราะไม่มีวัทานที่จะตามตัณหามานั่นเองภพชาติมันก็น้อยลงแล้วก็ดับไปในที่สุดเราก็จะเห็นว่าจริงๆพอเรารู้ทัน อ, อารมณ์ต่างๆนะเราพอไม่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไปเองเขาเองนะอะย่างใครมาด่าเราน ะ, ะถ้าเราไม่คิดนี่เราเราจะไม่โกรธนะอันนี้พิสูจน์ได้โดยตัวเราเองนะใครมาด่าเราเราไม่คิดแล้วเราจะไม่โกรธแต่เมื่อเขามาด่าเราแล้วเราก็มีความยึดมั่นในตัวเราอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าเราเมตตาตัวตนนะเราก็จะคิดเออด่าทําไมเรื่องคนี้ทํำไมต้องมาด่าเราเราไม่ได้ทําผิดตั้งหน่อยมาด่าได้อย่างไร พอนะคิดเช่นนี้ปุ๊บมันมีาตาขึ้นมาเสริมมันก็จะเกิดความเป็นตัวตนแล้วก็จะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดบุทานตำดับของปฏิจจสมบาติตามมาด้วยความมีตัวตนเราเข้าไปเสริมทันทีนะมันจะเกิดพบเกิดชาติต่อไปแล้วก็มีความทุกข์มากแต่ถ้าในใจเราไม่มีตัวตนที่จะไปรับในตรงนั้นแล้วมันก็ไม่มีนะมันก็ผ่านไปหมดนะมันก็ไม่มีตัวตนไปรับนะเพรา ะ, ะเราก็ไม่ได้คิดอะได่าก็ด่าไป เราไม่กระทบอะไรเลยก็ช่างมันแล้วแล้วไปเม่อไรกับไรมันก็ผ่านหมดนะตรงนี้มันติดที่ไม่มีตัวตนแล้วมันจะเป็นการผ่านในลักษณะนี้ไม่ต้องไปละอะไรเขาแต่เป็นการผ่านไปนะเพราะตรงนี้ก็ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลําดับจนในสุดเมื่อนะถึงระดับหนึ่งที่ว่าเห็นตามความจริงว่ามันไม่ตัวไม่ตนจริงๆแล้วมันจะเกิดการไม่ยึดติดการปล่อยการวาง ตรงนี้ไม่มีที่อาศัยของตันหาที่อาศัยในตรงนี้ได้ก็คือกิเลสมันก็มาเกาะใจเราไม่ได้แต่เขามีอยู่นะแต่เขาเกาะใจเราไม่ได้แล้วเพราะาเราไม่ได้ให้ค่าในสิ่งต่างแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความทุกข์นะมันคือออกจากความทุกข์ได้จริงๆในตรงนี้นะแล้วนี่ความพ้นทุกข์ในที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ในนิโรธก็คือตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตาไตร มาน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเทอญ